วันนี้เนี่ยพวกเราชาวพุทธยอมรู้ดีนะว่าวันนี้คือวันอะไรแต่ก็มีหลายคนนะแม้ว่าจะเรียกตัวมาเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยคือวันมาคาบูชาแต่ถ้าถามว่าสองวันก่อนเนี่ยคือวันอะไรสิบสี่กุมภาเนี่ยโอ้จำนวนไม่น้อยเลยนะตอบได้ทันทีนะว่าวันวาเลนไทน์ อันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่นะรู้ว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยคือวันอะไรวันไหนแต่ไม่รู้ว่าสิหกกุมภานี่ปีนี้เนี่ยคือวันมาคาบูชาทาไมจึงเป็นอย่างนั้นนะส่วนก็เพราะว่าเราคนทั่วไปนะเวลาพูดถึงสิสี่กุมภาหรือวันวาเลนไทน์เนี่ย ก็นึกถึงคนหนุ่มคนสาวแต่พอพูดถึงวันมาคาบูชานี่ก็นึกภาพนะคนแก่สีสๆคุณพาในความรู้สึกของหลายคนเนี่ยนะมันคือวันที่มีสีสันนะดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็สีสันต่างๆที่ลมนักกิจกรรมต่างๆที่มันทำให้สดใส แต่วันมาคบูชาเนี่ยสหรับหลายคนนี่รู้สึกมันจืดชืดนะจืดชืดเรียบเรียบหรือบางทีก็ดูน่าเบื่อไปเลยในที่สำคัญนะถ้าพูดอย่างสรุปก็คือว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยนะสหรับคนจนน้ยมยน้อยเนี่ยมันคือวันแห่งความสุขสุขเพราะว่าได้เที่ยวได้กินหรือว่าได้เล่น ได้สนุกสนามจริงๆเนี่ยมาคบูชานี่มันก็เป็นวันแห่งความสุขเหมือนกันนะนะถ้าใครควรดีๆเนี่ยวันมาคบูชาเนี่ยมันคือวันแห่งความสุขแต่สุขคนละแบบกับวาเลนไทน์นะวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นความสุขทางกายหรือว่าความสุขจากการเสนะเเพโดยเฉพาะการเสพทางตา ทางหูทางปากทางกายแล้ววันมาค้าบูชาเนี่ยที่ว่าเป็นว่นความสุขเนี่ยมันคือความสุขใจสุขใจเพราะว่าได้ทำสิ่งที่เป็นบุญทำสิ่งที่เป็นกุศลหรือพูดอย่างนี้คือว่าสุขใจเพราะว่าใจนี่เป็นบุญเป็นบุญที่ได้เป็นบุญเพราะได้ทำความดี ห่างไกลจากความชั่วแล้วก็ได้ฝึกจิตให้เกิดความสงบเป็นความสงบที่เกิดจากการลดการละซึ่งต่างจากความสุขในทางโลกหรือความสุขทางกายที่มันมักจะเกิดจากการมีการได้การเสพความสุขทางกายเนี่ยจากการเสพเนี่ยมันมันมีรสมีชาิที่ สัมผัสได้ไวแล้วก็มีสเสน่ห์จูงใจผู้คนให้เข้าหาแล้วคนก็สแสวงหาความสุขทางกายจากการเสบยิ่งมีสิ่งกระตุ้นเรานะจากสือ่อจากธุรกิจกิจการต่างๆผู้คนก็ยิ่งหลงไหลในความสุขทางกายจนมองข้ามความสุขทางใจไปแต่ที่จริงเนี่ย ความสุขทางกายเนี่ยนะมันจะไม่ทำให้เกิดความสุขกับผู้เสพได้เลยนะถ้าขาดความสุขหรือความอปกติทางใจเนี่ยเป็นพื้นฐานด้วยอันนี้คือสิ่งที่คนมักจะมองข้ามไป้ากว่าใจไม่พร้อมนะใจไม่เป็นปกติเนี่ยเสพยังไงมันก็ไม่สุขนะอย่างเช่นดูหนังเนี่ยนะหนังแม้จะหนังสนุก ดูน่าตื่นเต้นยังไงแต่ถ้าจิตใจเวลานั้นเนี่ยเกิดความวิตกกังวลวิตกเรื่องงานเรื่องการนะยัยงทำงานไม่เสร็จเลยหรือว่ามีงานที่ทำท่าจะล้มเหลวรออยู่ข้างหน้าเจ้านายก็เร่งเล่าให้รีบทำให้ทันเส้นตายถ้าจิตใจยังมีความห่วงกังวลนะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย ดูหนังยังไงมันก็ไม่มีความสุขอ่ะฟังเพลงเพลงจะไายรอะแค่ไหนหรือไปชมคอนเสิร์ตนะนักร้องชื่อดังนะมาแสดงสดให้ดูในนะกลางเวทีแต่ถ้างว่าเราเนี่ยนะแม้จะได้ดูต่อหน้าต่อตาแต่ว่าจิตใจมีความโกรธเพราะเพิ่งได้ข่าวว่ามีเพื่อนมาดินทาว่าร้าย ใส่ร้ายฟังเพลงไงมันก็ไม่มีความสุขอ่ะชนะ้าใจนี่มันยังมีความขุ่นเคืองอยู่กินอะไรก็ตามแนมะ้จะเป็นกินในร้านอาหารชื่อดังห้าดาวหกดาวนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยยังมีความเศร้าโศกเพราะได้ข่าวว่าพ่อแม่ป่วยหนักหรือเพื่อนน ะ, ะเกิดเสียชีวิขึ้นมา กินหารยังไงมันก็ไม่อร่อยไปเที่ยวในที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ว่าเป็นห่วงลูกไม่รู้จะสอบเข้ามหาเธทายาลได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นห่วงลูกเพราะว่าลูกนี่ติดยาคบเพื่อนไม่ดีเที่ยวที่ไห น, นก็ไม่มีความสุขอะแม้ว่าสิ่งที่เสพนี่มันจะวิเศษยังไงก็ตาม คนมักจะมองข้ามไปนะว่าคนเราเนี่ยมันจะมีสุขอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องเปสุขที่ใจถ้าใจเป็นปกติใจมีความสดชื่นเบิกบานมีความรู้จักพอใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยแม้จะไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นอาจจะอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีสีสันอะไรเลยแต่ว่าก็มีความสุขอะ สุขกับคนที่อยู่ปราสาทราชวังหรือว่าคฤือหามพรั่งพร้อมด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจมันเหงามันเบื่อนี่ถ้าคนเราเข้าใจนะว่าเนี่ยความสุขทางใจนี่มันเป็นพื้นฐานเลยของความสุขต่างๆที่จะตามมาเพียงแต่ว่าความสุขทางใจเนี่ยมันมันใช้เวลานะไม่เหมือนความสุขทางวัตถุความสุขจาก ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่มันมันเร็วนะ่ะเสร็จปุ๊บ ก, ก็สุกปั๊บแล้วนะ่ะถางว่าใจเนี่ยมันพร้อมด้วยนะนี่วันมาขบวชฉาเปรียบความสุขเพราะว่าได้ทำความดีได้ทำสิ่งที่เป็นกุศลได้ห่างกายจากบาปหรืออวัยมุกอันที่สอของมันคือความสุขใจเนี่ย รวมนั่งสุกกายเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างช้าช้านะแต่ว่ายั่งยืนถ้าคนเข้าใจนะว่าวันมาค บ, บูชาเนี่ยประมาณแห่งความสุขคือความสุขใจเป็นความสุขที่เกิดจากการลดการละสิ่งที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งกิเลสความมึนแก่ตัวด้วยการฝึกใจให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามันจะไม่ใช่เป็นวันที่น่าเบื่อ นะมันจะกลายเป็นวันที่ผู้คนเนี่ยน ะ, ะให้คุณค่าราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเรามาทําความเข้าใจกับวันมาคบูชาให้ดีนะมันจะเป็นวันที่เราเนี่ยขนขวาอยากจะทําความดีอยากจะทําบุญทํากุศลและถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงวันมาคบูชาวันเพ็ญเดือนสามเลยนะก็พร้อมที่จะทําทุกวันด้วยฉันท่าด้วยความยินดี ขณะเจอกันแม้จะไม่มีโอกาสมาวัดนะอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยโควิดก็ยังระบาดอยู่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยู่ที่บ้านก็ยังสามารถที่จะทาความดีทําใจใเป็นกุศลทําใจใเป็นบุญได้นะแม้จะมาเวียนเทียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็แค่เราเลือกถึงพระพุทธศาสาประสงค์ทั้งที่อยู่เบื้องหน้าเราและทั้งอยู่ในใจเรา แล้วก็รักษาใจให้ดีให้ควรค่าแก่การเป็นชาวพุทธหรือการที่มีพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์สถิตอยู่ในใจเรานะอันนี้ก็คือว่าเวียนเทียนนะเราไม่ได้เวียนเทียนด้วยต้นไม้เอาเราไม่ได้เวียนเทียนด้วยทูบเทียนนะแต่เวียนเทียนด้วยจิตเจตนาดีนะด้วยปฏิบัติบูบชาเพราะฉะนั้นเนี่ยแม วันนี้เนี่ยนะจะไม่มีโอกาสมาเวียนเทียนนะก็ไม่ได้ว่าไม่ได้แปบลบว่าโอกาสแห่งการที่เราจะเข้าถึงความสุขใจเนี่ยจะถูกปิดยิ่งบางแห่งบางที่เขาชวนให้มาเวียนเทียนออนไลน์เราก็ใช้โอกาสนี้หล้นน ะ, ะเวียนเทียนด้วยใจที่เป็นกุศลนะเวียนเทียนด้วยใจที่มีสติมีความสึกตัว เอาสติความรู้สึกตัวต่างดอกไม้ทูบเทียนอยู่ที่บ้านแม่จะแม่ขยันขยับไปไหนเลยนะแต่ว่าใจที่เลี่ยมด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติมันก็มีคุณค่าไม่ต่างจากดอกไม้ทูบเทียนหรือมีคุณค่ายิ่งกว่าด้วยซ้ำฉันทำความเข้าใจวันมาคาบูใชด้ดีเข้าถึงกันของวันนั้นนะเราเราจะพบว่า ความสุขใจเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะไม่ต้องไปเสพหาสิ่งเสพที่ไหนก็สามารถจะเข้าถึงความสุขที่มีอยู่แล้วในใจของเราได้